ทำไมมันไม่เหมือนเดิมนะทำไมมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับการปฏิบัติธรรมใส่เครื่องหมายคำพูดหรืออยากจะได้ธรรมะถ้าอยากได้ธรรมะเนี่ยการที่ไปแต่ละครั้งจิตไม่เหมือนกันเรื่องหละธรรมะน่ะถ้าไปทุกครั้งก็เหมือนจะปั๊มออกมาจาแม่พิมพ์เดิมนะมันก็เป็นอัตตาจนได้เลย นี้อย่าเราไปคราวนี้เราไปด้วยความคาดหวังเราไปด้วยความคาดหวังว่ามันน่าจะดีเหมือนก่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาลงมือปฏิบัติเจิตยังไม่ทันสงบเดี๋ยวก็คิดนนะําแล้วเดี๋ยวทไปงี้เดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะสงบอย่างนี้เดี๋ยวจะสบายกับบ้านน้่จะสดชื่นนะเราเจีเยพล้วสิ่งแตกต่อมไปเยอะเลยส่วนครั้งแรกเี่ยเราไปแบบอินโนเซนตปฏิบททัติทำเนี่ยทาแบบไม่รู้เรื่องนะทําง่าย คิดมากจำมากก็ยทำยากนะไม่สงบหรอกแล้วพอเสียดายนะว่าทัวร์สั้นแต่แข่งครั้งแรกคิดว่าดีๆแล้วนะลงยาวสพเดือนจิเราจะรู้ว่านารกมีจิ๋ความสุขไม่มีหรอกนะมันสุขมันสบายอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นถ้ายาวกว่านั้นก็จิตก็เสื่อมลงมา อ, กอีก ก็าทำไปชาติของจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมครูบาอาจารย์ท่านฉลาดเลยาวางแขนให้เรามีกําลังใจจัดคอสเจวันพอเสร็จวันนี้นะสองสามวันแรกเข้าไปอยู่ในสิ่งแรกร้องใหม่จิตใจจะฟื้นร้างนึ่งวันหลังๆนี้ไปเข้าที่เข้าที่แล้วเริ่มแหมกำลังเริกตอนกำลังดีเลยเดี๋ยวก็อยากมาใหม่รจริงๆแล้วเป็นคนใจธรรมดาธรรมดา เมื่อก่อนอะตมารับราชการอยู่เก็บวันหยุดไหมเรามีเวลาแล้วต้องจะลาละพระราชการที่ดี <c oughs> ลาแบบใช้วันลาน้อยๆได้เยอะๆต้องวาแงแก่ไปอยู่วัดสองสามวันแรกเนี่ยไปอยู่วัดในป่าจิตฟุ้งสั้นโอ้มันเงียบจงกระทั่งมันหูอูไปหมดเลย มาแรงก็เสียงดังอะไรแปลกอยู่ในกรุงเทพได้ยินเสียงรถโกคคลามหลนะไม่ได้ยินเฉยๆพอเข้าป่าเงียบๆนะจิตฟุง้งซ่านสองวันสามวั น, ส า, วนสามวันที่ได้ที่แนละ้วโอ้ฝ่ภาวาน า, า, า, าดีจริงๆพออยู่ไปถึงวันที่เจ็ดที่แปดแล้วฟุง้งซ่านกันถ้าอยู่นานๆจะรู้เลยว่าจิตนั่นอนะสงบแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น น, นี่ถ้าเราไปตัดเทพอดีพดีมันก็ปเป็นเรื่องในตอนที่กําลังดีเสียตายเดี๋ยวกับบ้านจะทําตออไม่ได้ทําหรอกถ้ไม่ได้ทำอยู่นี้เราจิตเราไม่ดีแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติใหม่เข้าคอที่แล้วเราจะได้ดีอย่างเก่าอีกบา น, นบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีที่บางคนดีเพราะว่ารู้จักวางใจให้เป็นกลาง ว า, างใจไม่เป็นตามไปด้วยความอยากก็ไม่สงบล ม, มเรียใส่แต่ละทั้งใจไม่เหม็นใจรู้ว่าใจไม่เหม็นใจนันดีแล้วนะนี่เราไม่ต้องรอไปทั้งก่อนเรียนก่อนไม่เสจ็จวันเรียนวิธเจ็ดวันแหมจิตต่างกันอย่างนี้น้อยแต่เอาขนาดนี้เน่ยจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาจิตเราต่างกันตลอดวันแบบในวันเดียวกันนี้ตอนเช้าจิตอย่างหนึง่งตอนสายสายอย่างหนึง่ง เย็นเย็นคืนอย่างหนึ่งดูได้ละเอียดขึ้นละหรือละเอียดขึ้นไป็นอย่านีชั่วโมงนี้อย่างนี้อีกชั่วโมงเป็นอย่างนี้ห้าหนาทีนี้อย่างนี้ห้าหนาทีอย่างนี้จนกระทั่งเหยียดนื้อขนานนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เ ป, นเปลี่ยนไปอย่างนี้ทําให้มันฉีกขึ้นจีกขึ้นเนือไม่ใช่เมื่อสามเดือนก่อนเป็นปฏิบัติจิตเป็นอย่างนี้ครั้งหลังจิตเป็นอย่างนี้รู้ได้ก็ดีเกันนะแต่ไกล มันจะให้มันปัจจุบันนิดหเลยไม่ไม่ไม่เห็นไม่เป็นไรนะไม่เห็นก mm ็บอกมันรู้สึกเฉยเฉยไม่เ uh ห็นเขาว่าเฉยเฉยมันไม่ส <kindergarten. S 2> <Chi> ุขไม่ทุกข์ก็เออมันเป็นกลางกลอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพอเราละเอียดเข้าเราก็เขียนเองเลยขั้นแรกเราก็จะรู้อราต้องที่ยับยั ปฏิบัติมากข้าแล้วก็จะรู้อารมณที่ละเอียดที่ละเอียดขึ้ น, อ ย, นอย่า้เดิมต้องโทรศัพท์แรงๆถึงจะรู้ความโกรธแรงๆเกิดแล้ว ร, รู้ถ้าคนไม่ปฏิบัติเร่องวโกรธไม่รู้นะอย่างโลัวแล้วไปดาเพื่อนดาดาดาดาใส่ใจกลับมาบ้านพี่ตาไปดาเขาเสียใจเสียใจน้ว่าจะทำยังไงดีเสียใจกันเสียใจก็ไม่รู้นะัจุบันไม่เอาเอาแต่อดีต เอาแต่เมื่อตะวันเมื่อเมื่อวานโกรธเขาความจริงเรารู้อารมณ์ได้อยู่แล้วความโกรธเป็นไงเราก็รู้ใช่ไหมเสียใจเป็นไงเราก็รู้ถ้าหากเราสามารถติ๊กนิดเดียวปัจจุบันเมื่อไรมันรู้สึกอะไรรู้ลงไปเลยนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติกําลังโกรธยู่รู้ว่าโกรธไปด่าดา่ดาดา่าเพรามันเด็กไม่ได้ทั้งทที่รู้ก็ยังด่าอยู่ด่าเสร็จแล้วกลับบ้านรู้เสียใจรู้ว่าเสียใจนี่ก็ได้ปฏิบัติแล้ว รู้ให้เป็นปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนรู้ได้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่อ ง, งลึกลับรู้ให้ลงปัจจุบันเะานโยทำอะไรตอน น, <c ười> นี้นะดด น, น, นั่นแโยเพียงแต่งานชิ้นเดียวนคือรู้บ่อยๆนีคำว่มามกทำให้เจริญคือทำให้เกิดบ่อยอือ มไม่เป็นไรนะเขาสอนไงเก็ทำนะี่เถอะมันเป็นอุบายเนอะอุบายกับหลักการกับวิธีการเนี่ไม่เหมือนกันเนอะอยงหลักการหลักของหลักธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจเนยะวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่เรียกว่าจิตของอริยสัจ าการรู้ทุกการละสมุทัยการทำนิโรธให้แจ้งทำสติสมมชัญญาให้เจริญพอมาถึงขัน้นลงมือปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนรูปแบบไว้เหมือนกันแต่สอนสติปัฐาญสีกรรมฐ า, านสมาถะก็สอนกรรมฐ า, านสี่สิหนึ่งละรุ้นหลังท่านหวนมพุ่งนัดได้สี่สิบอย่างแล้วพระพุทธเจ้าสอนนี้ถ้าเราใช้รูปแบบของพระพุทธเจ้าก็าาได้ อย่างท่านสอนยืนเดินนั่งนอนรู้สิบตัวอาจารย์รุ่นหลังท่านมาบอกเอ๊ hey, มันรู้ไม่ทันดันั้นยืนเดินนั่งนอ น, น, อนให้มัน ช, าชา้าๆจะได้รู้ง่าต้องแยกนะั้นที่อุบายอุบายแล้วแท็กติกแท็กิกเฉพาะบุคคลด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทําอย่างนี้แล้วถึงจะดีแต่ถ้าทุกคนเดินช้าๆแล้วดีแล้วพระพุทธเจ้าสอนในสบายแล้วท่านไม่ต้องสอนเยอะและ้วนะ เริ่มเทศปัญจวคีท่านก็สอนอ้าวบรรจวคีเดินช้าๆนะมีจังหวะนะเข <c oughs> าไม่สอนเลยเพราะว่ามันไม่มีรูปแบบสาเร็จรูปนะบูบายก็คือบูบายหลักการวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนอนะไรเนี่ยทําทำความเข้าใจซะหน่อยนะถ้าสอนอยืนเดินนั่ง น, นอนรู้สึกตัวถ้าไม่ได้บอกว่ายืนช้าๆเดินช้าๆนั่งช้าๆนอนช้ า, นนชามันไม่สอนอย่างนั้น มีครูบาอจารย์ขึ้นหลังขึมาพัฒนาอูบายซึ้นมะาแท็กติกเนีอูบายนั้นท่านทําแล้วท่านเกิดสติสัมมาชัญญะดีนี่เราทําอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แล้วแต่จริตน่ยนี่สำนักทั้งหลายก็ชอบทะ่าะกันไงว่าว่าอูบายสำนักชั้นดีสำนักฉันเรียสติปัฏฐานสำนักนู้นไม่ใช่จริงก็ไม่ใช่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นแลย เขพูดเป็เจ้าไม่ได้สอนอคืเรารู้สึกเอนานะสมมุติว่าง่ายๆเลยเอาละต่อไปนี้เป็นเวลาเดินจงกรมเดินไปเข้าที่ตอนเดินไปเนี้ยรู้สึกตัวไหมยังไม่รู้สึกใช่ไหมรอให้เข้าที่ก่อนจะค่อยรู้สึกพอเข้าที่เอาละรู้สึกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกนะนี่แก้งทำ แกล้งทำขลุม่มหลักของวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้ น, นเอาแต่แกล้งก่อนก็ได้แกล้งขลุม่มขลุ่มไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ดูรวดเดียวเลยดูยา ก, กทำขลึ่มไว้ก่อนก็ได้ก็ก็แต่นั้นนั่นคือสมถะการดัดแปลงจิตทั้งหมดนั่นคือสมถะล้วทําสมถะจิตมันจะได้ไม่ดีดดิ้นมากนะมันดิ้นหน่อยๆจะได้มองเห็น ต้อเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าไปหลงเอาอูบายซึ่งจริงๆก็คือสมถะนะเปหลงว่ามันเป็นวิปัสสนาเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องคาสำรวมมากๆคลื่ๆมากๆยินรู้สึกเหมือนอะไรตไต่ได้วิปัสสนายายญาณอะไรนิมิแท้ๆว่าไงใช่แล้วก็ต้องมีความรักกับเอ่อความนี้ใ เป็นคืออยู่ที่ว่าเราทําสมถะแล้วเรารู้ไหมว่ากําลังทําสมถะอยู่เดีวแล้วก็ทําสมถะนั้นทําเพื่ออะไรเดีถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรมีประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นตมัมาเลยไม่ค้านเะนี่ยจะถามในใครเคยฝึกยังไงฝึกอย่างนั้นแหละใช้ได้หมดแหละทำความเข้าใจขึ้นมาเท่านั้นแหล ะ, ละเดี๋ยช่นเราจิตใจเรากําลังล็อกแรกล็อกแรกอยู่ อเราเริ่มนี้เราเริ่มสำรวมใจเราเริ่มนิ่งเรารู้ว่าใจนิ่งนี้ก็ได้แล้วนะเดินไปเดินไปใจแวบหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจหนีไปแล้วนไไหนีไปในความคิดก็รู้ทันมาเดินต่อใจไหลก็ไปอยู่ที่เท้ารู้ว่าจิตไหลก็ไปที่เท้านี่ก็ปฏิบัติแล้วนะะงั้นมันไม่ใช่ว่าอะไรถูกอะไรผิดหรอกอยู่ที่ว่าเราเข้าใจไหมบางทีครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนท่านพาทำให้เขาสอนถูกทําถูก ท่านก็ทํำถูกทําเป็ดเป็นคนมีคุณธรรมแต่ว่าบางทีลูกศิษย์เี่ไม่ถึงแก่นของครูบาอาจารย์เลยชอบศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆไนี่รงนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้อาจารย์นี้นว่าอย่างนี้นะทำไมไม่เหมือนกันสักวงหนึ่งหรือท่านหนึ่งต่างเงงแต่ถ้าเราจับหลักไมได้จับแก่นไม้ได้เราก็จะไปฟังอ๋อท่านนี้สอนสมถาก่อน ท่านนี้สอนสมถารูปเดียวเลยไม่มีมิปัสสนาเลยทนะ่านนี้สอนสมถารเพเป็นฐานเพื่อให้เจริญมิปัสสนาได้จริงหรือท่านนี้สอนมิปัสสนาเลยไม่สอนสมถาเพืนะ่อเราจะเข้าใจเน่ถ้าเข้าใจเราจะไม่ทะเลาะกันระหว่างสำนักมีเยอะเลยที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่อยู่ในโลโกุ้ท ถ้าเราเข้าใจหลักธรรมนะหลักธรรมต้อเข้าใจเรื่องอริยศัสต ร, ร์เรื่องอะไรนีเข้าใจจิตต่ออริยาศาสั ร, ร์คือเข้าใจวิจีปฏิบัติรู้ทุกข์ละสมุทยัทยทํานิรอดต้อแจ้งทำมั่งต้อเจริญทํำยังไงต้องเรียนต้องรู้ก่อนนะถัดไปจากนั้นก็ดูว่าอันไหนมันคืออุบายอันไหนมันเป็นหลักปฏิบัติปันแยกให้หออกเดินช้าๆเป็นแค่อุบาย ถามว่าถูกหรือผิดไม่ถูกไม่ผิดนะทำแล้วเกิดประโยชน์ก็ได้เกิดโทษก็ได้ท่านเราแยกออกก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนมากปฏิบัติไม่สุดสา ย, ยางไงก็จะเริ่มทะเลาะสายไหนดีกับสายไหนดีกว่ า, ากันหรอถ้าเข้าใจใช่ไม่มีปัญหา mm. บางคนเนี่ยฟังอรตมาสอน ส่วั้นจะสังเกตมันจะสอนหลักๆอย่าไม่บอกว่าให้นั่งท่านไหนให้หายใจท่านไหนไม่ได้สอนแต่ใครเคย ท, ทาอะไรก็ทําไม่เถอะไม่ว่าหงแต่เดิมสูกนัหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจะออกเรืงบังคับใจไม่ให้ใจจัลงหนใ จ, ใ จ, นใ จ, จ, ใจท่ามาก็บอกรู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าสมรรถาถ้าบางังคับแรงใจจะไม่สงบนะหายใจเล่นๆหายใจเล่น ๆ, ๆเดีเ๋ยวก็สวกวงทำแล้วสบายนั่นเป็นสมรรถา แต่ยังไม่ใช่ศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ยที่สมถะชาพุทธไปอยู่ที่สมถะแล้วเสร็จเลยไม่ใช่ชาพุทธเป็นลูซีชีไฟเขาก็ทำอาบหายใจไปใหม่เอาใหม่หายใจรู้สึกไหมว่าหายใจเข้ารู้สึกไหมว่าหายใจออกรู้สึกนะเห็นไหมว่าร่างกายมันหายใจรูปนี้มันหายใจไม่ใช่เราหายใจ เห็นร่างกายเนี่ยกับเพื่มเข้ากับเพื่มออกเห็นธาตุไหลเข้าธาตุไหลหออกไม่มีตัวมีตนอะไรเห็นไม่บังคับไม่ได้หายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้หายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมว่านั่งเฉยๆนานๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ <c oughs> เป็นการเข้ารู้ฝังจริงแล้วว่าร่างกายนี้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่เรียกว่าจเจริญปัญญา ในส่วนจิตใจละ่ะชอบมีความสุขแบบความธรรมะ ม, มีความสุขจรงรู้ไปรู้มีความสุขก็รู้ไม่ช่องห้ามมันนะสุขสุขก็ดีแล้วไม่ต้องไปห้ามเันมีความสุขสุขแล้วพอใจเพลินรู้ว่าชอบมีราคาแะแทรกแในความสุขถ้าไปดูไปอยากละราคะถ้ารู้ว่าอยากละราคะก็มีโทรศัพท์อยากละราคะ อะไรเกิดก็รู้ไปทางจิตใจก็เปลี่ยนตลอดเวลาเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้หูสนอะหูสนเกิดแล้วก็ดับนะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับบังคับเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราแบบเป็นธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทนะุกท่านเจริปปัญญาพอได้หลักแล้วเนี่ยจะหาวิธีปฏิบัติยังไงที่เหมาะกับเราเอง จะรู้อินทรีย์บทสี่แล้วมีสติสัมปชัญญะบ่อยแล้วรู้วิทรีย์บทสี่ไปนะจะรู้ท้องฟังท่องยุบแล้วมีสติสัมปชัญญะบ่อยกรู้ไปหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สิบตัวดีไม่เสลอหายใจไปหายใจแล้วเพิ่มทุปยาธรรมอย่านี้หายใจแล้วเอาเพิมไม่เอาเปลี่ยนสร้างกรฐานที่ไม่สะดวกกับเราแล้วคือท้องฟังท้องยุบแล้วคือเพ่งท้องเจอไม่เหมาะนะนะหลงนะ ยกเ้าย่าเท้ า, า, ทาจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเกิดรู้ทันว่าจิตไหลไปที่เาเออกรรมฐานนี้เหมาะนะปฏิบัติเรารู้เท่าทานันะเเรายกไปบางคนก็ได้กรรมฐานสบายบางคนได้กรรมฐานลำบากบางคนได้กรรมฐานสบายนั่งเฉยๆดูดเอาอยู่ไปล้วคนนึงยกแยกท่งยกขามือแทบตายนะมันแล้วแต่ ท่านไหนทำแล้วสติสัมปชยยัญญะดีเอาอันนั้นแหละนะไม่มีปิดไม่ถูกหรอกห ร, อหรือบางทีปฏิบัติแล้วจิตมีความสุขหรือนะจิตปรบานนันะอยู่ที่จับหลักให้ได้นะับความเข้าใจแล้วการปฏิบัติราบรือ่อ ระหว่างปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นนะบางครั้งจิตก็เข้าไปพักนิ่งๆเช่นเดินดูกลมไปจิตลงไปเกาะเท้านิ่งนะสบถไม่เป็นไรได้พักผ่อนทำไปทำไปเกิดรู้ทันว่าจิตไหลไม่อยู่ที่ท่าได้ปัญญาแลรู้ทันอะไรก็ได้คือเป็นคนเองเนี่ยไม่ได้มีฐานรากใด อมออืืมันเกิดง่ายเพราะมันไม่ได้ตั้งความหวังรู้ไมล่ได้สอย่างอย่างาตัวชาก็จะเกิดเกิดเยอะื อือจิาแต่ละบุคคลก็ต่างกันเราก็ดูว่าอะไรขหงตะเราก็ลยไม่้แต่จงใจเดินช้าเรารู้ว่าจงใจก็ใช่ได้จงใจเดินช้าๆ้าจิตเพิ่มเกิดมเกิมิตมิไม่รู้ว่าเป็นสมรัาใครไม่ได้อยู่ที่รู้ทันแล้วอยู่ที่เข้าใจ ไแต่ว่าด้ยิามออยาแค่นะแต่พอหลังจากที่ปฏิบัติมาวกด้ยนว่ามะี้ก็ายไอันนี้ความเ่เอไม่ใช่ตัวสำคัญนะจิตจะรู้อารมณ์ที่อยากหรือรู้อารมณ์ที่ละเอียดก็เสมอรับรู้อารมณ์สมมติมันเกิดฟังได้ละเอียดมากขึ้นแล้วเราดีใจไม่รู้ว่าดีใจก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตากระทบูกระทบเนี่ยเป็นแค่วิบากตาเห็นรูปรูปจะดีรูปจะอยาบละเอียดเสียงจะมากมายแค่ไหนหรือน้อยน้ อ, นอเป็นวิบากไม่มีดีมีชั่วอะไรที่ตรงนั้นยินดีรู้ว่ายินดีนนนรู้ว่าเยอ้อนอย่างนั้นเป็นรู้ว่ามีมานะมากขึ้นแล้ว นี่ชันเก่งน ะ, น ร, ะรู้ทันตัวนี้ก็ถือว่าดีฟังได้ละเอียดเดี๋ยวว่าจะฟังเสียงมันรู้ด้วยนะฟังละเอียดได้ยินเสียงเทวดาด้วยแหมว่าอนุมโมทนาใหญ่ว่าเราปฏิบัติดีเรามันเก่งนี่ใหง่ท้องเลยเรานอยู่ที่รู้ทันกุศลกุศลสุบทุก อ, อะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันอยินเขากเกิดรู้อย่างเาเขรู้เอง เรื่องจงใจไม่รู้หรอกออใช่แต่อย่าไปรอรูนะ้นละอย่าไปเฝ้ารู้ไว้ก่อนออแนนล้วหลังจากนะั้นเราไปย้อนคืนตอนนั้นเราเคยอะไอย่างนี้ตอนนี้รีบรู้ทางแล้วหลงแล้วเอาปัจจุบันมหมตอนนั้นจบไปแล้วเรื่อง ก, กัน โยทําอะไรล่ะตอนเนี้หล อ, <S <S อกประโยคเดิมเลยหลอกทาไมไม่รู้อ่ะรู้ว่าหลอกไหมถูกจี้อย่างนี้รู้แล้ว ไ, ไม่ว่ารู้ว่าหลอกต่าไปรู้เรื่องตัวเองไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกตรงนี้ต่างห า, าการปฏิบัติไอ้ตรงน้นไม่ใช่เราะนั้นหลง เข้าใจยันเอออย่างนี้ค่ยรู้เรื่องเลยเนาะเราไม่ต้องไปฟังที่โดนว่าอย่างนี้พี่นี้ว่าเงินเนาะพี่ทั้งหลายก็ไม่เห็นว่าเราตัวรอดเลย <c oughs> หลอกอะไรเนี่ยอือหลอกรู <c oughs> ้ว่าหอกเนี่ยถูกมันหลอกทําไม่ได้บอกนะแล้วเนีทําผิดหมดเลยถ้ารู้ก็ถูกหมดเลย เรรู้ว่าชั่วอยู่โอ้ถูกแล้วนะดีอยู่แล้วไม่รู้ว่าดีใช้ไม่ได้อืเผลอบ่อยบ่อยคอเอน่อะไรบางอย่างอย่ในรบาีต้องรู้ว่าืออืเจปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเผลอบ่อย คนไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นเลยวันละครั้ ง, งตัง้งแต่ตื่นยันหลับกนะ็ตายแล้วเรือวันตั้งแต่เช้าหรนะือวันละสองครั้งอย่างเี้ยไม่ไหวหรือไม่บ่อย แ, แวบรู้แวบรู้อย่างโย่เนี่ยเกิดไปแล้วะเห็นแค่เนี้รู้ทันเป็ น, ปนไป ร, รื้ไหมทำอะไรรู้ไหมตอนนียสังเกต เดี๋ยวมิถุนทมันทําอะไรก็รู้ทันกันไปเลยตอนนี้เราทําอะไรอือทาอะไรนะดูออกไหมตัง เ, เก็บไม่มีการกระทําอืมไม่ออกไม่เป็นไรชี้เร็วไปแล้วให้ทําเป็นลทักษณะ ถาเราให้เผลอใหม่รู้ใหม่เราไม่ได้พูดเล่นนะเพราะมันเผลอทันทีนสมมุตนะิว่าเราใจรอยมาสาชั่วโมงอุ้ยเผลอไปแล้วในขณะที่ใจรอยาชั่วโมงอะเกิดอัุคูออคสโตรจิตเนี่ยมีโมห์ที่เรียกว่าความฟุง้งซ่านเนี่ยเรียนทัดจัดฟุ้งซ่านอยู่สามชั่วโมงเดินเลือดขึ้นได้ ห้าคุงสั้นสา3ชั่วโมงหรือ3มขขามชั่วโมงขณะที่รู้ผ่นานว่าเกิดเกิดกุศลเรียบร้อยแล้วมีสติขึ้นมานะหจากนั้นเริ่มอุศลรอบใหม่หอย่างืวดเร็วเลยทำยังไงจะไม่เหลืออีกนีนั่นไมเหไหมมีคำว่าพยายามนะพยายามเฝ้าน ม, มีเวิร์กที่เยอะแยะเลยรู้อย่างว่าคิดตรงไห น, น โยราตอนนี้ทำอะไรเห็นไหมรู้อย่างว่าคิดที่ไหน